<c oughs> วันนี้ก็เป็นวันพระวันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาหาที่พึ่งทางใจกันก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าที่พึ่งที่เรากำลังพึ่งอยู่ในขณะนี้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 สูญเสียความสุขทางตาหูจมูก น, นิ้งกายถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเดือดร้อนมากทุกมากบางคนทุกข์จนกระทั่งอยู่ไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายเพราะขาดที่พึ่งทางใจขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเห็นเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรา เพราะพวกเราทุกคนนี้ไม่ช้า ก, ก็เร็วก็จะต้องเจอการพัดภาคจากลาบยศสรรเสริญจากความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันจึงสรงสอนให้พวกเรามาเตรียมชีวิตกันไว้เตรียมเรือชีวิตเวลาทีา่ที่พึ่งทางร่างกายคือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสมีวันที่จะต้องจากเราไป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 ท่านจึงไม่ทุกข์กับการเสื่อมลาบยศเสริญไม่ทุกข์กับการเสื่อมของรูปเสียงกลิน่นรสผลธภัพไม่ทุกข์กับการเสื่อมของร่างกายร่างกายของพวกเราต่อไปก็ต้องแก่ลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็จะต้องตายไปถ้าเราไม่มีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์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 แล้วใจเราก็สามารถที่จะลดการพึ่งเงินทองพึ่งสิ่งต่างๆได้เพราะเรามีบุญมีความสุขใจถ้าเราไม่มีความสุขใจเวลาที่เราขาดลาบยศสรรเสริญขาดรูปเสียงกลิ่รสเราจะรู้สึกทรมานใจแต่ถ้าเรามีบุญเราทำบุญอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะ ไม่เดือดร้อนเวลาที่เงินทองขาดมือไปบ้างหรือไม่สามารถที่จะหาความสุขจากทางตาหูจมูกวิ้นกายได้เรามีบุญคือความสุขใจที่เกิดจากการทําทานก็จะทําให้เราพอที่จะทนกับความอดอยากขาดแคลนได้ไม่ถึงกับ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 ไม่ไปเกิดเป็นเปรตแม่เกิดเป็นผีไม่ให้ไปเกิดในนรกนะจะให้เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือถ้าเราได้ทำบุญด้วยได้ทำทานด้วยเรามีบุญมีศีลเราก็จะได้ไปเที่ยวในสวรรค์กันไปเป็นเทวดาไปมีความสุขมากกว่าความสุขที่เรามีกันอยู่ในโลกนี้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 เป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยอยู่เราจะไม่สามารถมาพึ่งร่างกายของมนุษย์หรือพึ่งร่างกายของเทวดาได้เพราะว่าบาปที่เราทําไวน้นี้มันมีโทษที่เราจะต้องไปใช้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราพยายามรักษาศีลห้ากันให้ได้รักษาศีลห้าแล้วก็ทําบุญทําทานเราก็จะ ปลอดภัยจากการไปเกิดในอบายตายแล้วก็จะได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้ไปเป็นเทพจนกว่าบุญที่เราได้ทำไว้บมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็กลับมารับอนิสง์ของบุญที่เราทำาปนเงินทองที่เราทำไปนี้มันจะรอเราอยู่เหมือนกับเงินที่เราฝากไว้ในธนาคาร พร้อมดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยทับต้นจะได้มากกว่าบุญบากว่าเงินทองที่เราทำไปในในขณะ น, นี้หลายเท่าเราทำเงินทาบุญร้อยบาทแล้วอาจจะได้กลับมาเป็นสิบเท่าเป็นพันบาทชาหน้ากลับมาจะมีเงินทองมากกว่าเก่าถ้าเราทำบุญ ถ้าเราไม่ทำบุญเนี่ยเราก็จะได้เท่าเดิมเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปฝากไว้ในธนาคารกลับมาก็ต้องเริ่มหาใหม่คือศูนย์เราจะไม่มีเงินทองรอเราอยู่เงินที่เราบอยจากเนี่เป็นเหมือนกับเงินเอาเข้าธนาคารที่จะรอเราในชาติหน้าเวลาที่เรากลับมา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 ก็คือใจขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทำอาไว้อันนี้คือการทำบุญเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยทำบุญมาก่อน mm hmm. ก็ให้มารักษาศีลห้าให้มาทำบุญบริจาค mm hmm. เงินทองเข้าของให้แก่ผู้ที่ขาดแคน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 บุญนิติต่างๆที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้เป็นบุญเหมือนกันเป็นเหมือนเอาเงินเข้าฝากธนาคารเหมือนกันธนาคารที่มีหลากหลายเราเลือกฝากได้เราชอบธนาคารไหนเราก็ไปฝากธนาคารนั้น น, นี่ก็ เป็นเรื่องของการสร้างที่พึ่งทางใจสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ท่านก็สร้างที่พึ่งแบบนี้กันพระพุทธเจ้าก็ทาบุญทาทาน <c oughs> แต่พระพุทธเจ้านี้ท่านทามากเพราะท่านต้องการผลคือที่พึ่งที่สูงกว่าสูงสุด เหมือนกับการซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตก็มีหลายราคาเราจะเลือกซื้อได้ประกันชีวิตจ่ายหนึ่งล้านจ่ายสิบล้านหรือจ่ายร้อยล้านเราเลือกซื้อประกันชีวิตประกันภัยตามราคาที่เราต้องการได้ถ้าเราทาบุญทาทานแล้วก็รักษาสีห้านี้เราก็ก็ซื้อประกันภัยในระดับ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 นั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปเที่ยวดูมหะสบบันเทิงต่างๆอันนี้เป็นความสุขระดับต่ำระดับยากกว่าความสุขที่ได้จากการฝึกทําใจให้สงบ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 เช่นหนังละครไม่ไปงานเลี้ยงแล้วก็ไม่แต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยสดงดงามวิจิตรพิสดารไม่เสริมความงามทางร่างกายทําเผาทําผมแต่งหน้าทาปากใช้น้ํามันใช้น้ําหอมอันนี้เป็นการหาความสุขแบบเทวดาเราจะหาความสุขแบบพรหมพรหมนี้ไม่ต้องการ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 <c oughs> นอนไม่มากเกินไปนอนพอพักผ่อนร่างกายนอนประมาณห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็พอถ้านอนมุดฟูกหนาๆก็จะนอนนานพอหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่อยากจะลุกนะเพราะถ้าฟูกหนามันสบายก็จะนอนต่อแทนที่จะหาความสุขจากการมานั่งสมาธิทําใจให้สงบ ก็จะหาความสุขจากการนอนบนฟูกหนาๆนาแทนซึ่งเป็นความสุขที่หยาบกว่าและสั้นกว่าความสุขที่จะได้จากการมานั่งสมาธิเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าดีกว่ามากกว่านี่คือหน้าที่ของการรักษาศีลแปดเพื่อที่พวกเราจะได้ไม่ไปเสียเวลากับกิจกรรมทางร่างกาย กิจการหาความสุขทางร่างกายเราจะได้มีเวลามานั่งสมาธิมาเจริญสติเดินจงกรมพุทโธพุทโธไปสลับกับการนั่งสมาธิ <c oughs> ไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆคอยควบคุมใจไม่ให้คิดคิดแล้วใจจะไม่สงบ <c oughs> ถ้ามีพุทโธนี้คอยคุมไว้ใจก็จะสงบ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 กลับมาอยู่บนโลกของมนุษย์ก็ความสุขของพรมก็จะหายไปถ้าอยากจะไม่ต้องกลับม า, าอยู่ความสุขในระดับมนุษย์อยากจะอยู่ความสุขของพรมตลอดเวลาก็ต้องใช้ปัญญา <c oughs> ปัญญานี้จะทําให้เราสามารถรักษาความสงบได้ หลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วปัญญาคืออะไรปัญญาก็คือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร่งสี่ประการว่าความวุ่นวายใจความทุกข์ใจการเวียนว่ายตายเกิดของเราเกิดจากความอยากของเราเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวะตัณห า, ะะหากามตัณหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นโน๊ <c oughs> ภาะวะทันหาก็คือความอยากได้ลาบยศสารเสริญสุขปีภาวะทันหาก็คือความอยากไม่ให้ลาบยศสารเสริญสุขเสืส่อมไปจากเราไปถ้ามีความอยากเหล่านี้อยู่ภายในใจแล้วมันจะทําลายความสงบที่เราได้จากการนั่งสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาเราใช้ปัญญานี้คอยสอนใจเตือนใจว่าอย่าไปทําตามความอยาก อย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหาลาบยศสรรเสริญสุขอย่าไปหวงอย่าไปยึดไปติดกับลาบยศสรรเสริญสุขเพราะสักวันหนึ่งก็จะต้องมีการพัดภาคจากกันไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราก็จะไม่ทุกข์ใจของเราจะสงบเราจะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียของลาบยศสรรเสริญสูญเสียของร่างกาย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 การทาใจให้สงบนี้ขอให้มีสติมีสมาธิมีปัญญามีศีลเท่านั้นเอง<ม>อก็จะสามารถที่จะรักษาใจให้สงบได้ตลอดเวลา<ม>นี่คือการซื้อประกันหรือซื้อที่พึ่งที่สูงสุดนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ต้องการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเพราะท่านกลัวความแก่ความเจ็บความตายเพราะ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 พอเราได้ยินได้ฟังแล้วเอานำเอาไปปฏิบัติเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์กลายเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมาพระอรหันตสาวกก็คนธรรมดาอย่างพวกเรานี่แหละที่ได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือได้พบกับพระทำคําสอนของพระพุทธเจ้าฟังแล้วก็เกิดศรัทธาพระพุทธเจ้าสอนว่าวันพระให้หยุดทํางานสักวันหนึ่งหยุดหาเงินหาทองกัน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 ไม่มีใครพูดถึงการเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญามีแต่จะพูดถึงเรื่องหาลาบยศรเสสิญหาความสุขทางตาหูจมกูกปิ้งกายกันทำยังไงจะได้เงินเยอะๆอย่างวันนี้พวกที่แทงหวยแทงเลขก็นั่งจดจ่ออ ย, อยู่กับหวยกับเลขว่าวันนี้จะออกเบอร์อะไรมาก็คิดอยู่กับเรื่องเลขนะ พ อ, อได้เงินมาก็จะได้ไปเที่ยวกันไปซื้อข้าวของซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันพ อ, อซื้อไม่กี่วันเงินก็หมดหมดก็ร้องง่วนห้ามาแทงหวยกันใหม่ก็จะคิดอยู่กับเรื่องหาเงินหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจะไม่ได้มีโอกาสได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมถ้าฟังเทศฟังธรรมก็จะรู้ว่าการหาความสุขทาง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 แต่ถ้ามาฟังเทศฟังธรรมแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรเสริญเลยมันไม่แน่นอนเวลาได้ก็ดีไปแต่เวลาไม่ได้นี่เสียใจไม่สบายใจกันมาหาความสุขที่ได้แน่แดีกว่าไม่ต้องรอเลขรอเบอร์ไม่ต้องรอแทงหวยเพียงแต่ให้มีพุทธโธพุทธโธอยู่ในใจเรื่อยๆเท่านั้นเองแล้วเวลานั่งสมาธิใจจะสงบ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 สู่การฟังเทศฟังธรรมเจริญปัญญาให้เห็นว่าความทุกข์ความไม่สงบนี้เกิดจากความอยากความสงบนี้เกิดจากความไม่มีความอยากวิธีจะไม่มีความอยากก็ต้องใช้สติหยุดแล้วก็ใช้ปัญญารักษาถ้าเรามีสติมีปัญญาเราจะรักษาความสงบรักษาความสุขได้ไปตลอด ก็จะทำให้เราไม่ต้องกลับไม่ต้องมาพึ่งร่างกายร่างกายนี้ตายไปเมื่อไหร่เราก็ไม่เดือดร้อนแลาเราก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่แต่ถ้าเรายังพึ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เวลาร่างกายนี้ตายไปเราก็จะกลับมาเกิดใหม่ก่อนจะกลับมาเกิดใหม่ก็อาจจะไปเกิดเป็นเปรเป็นเดรัจฉานไปก่อน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 ถ้าได้ไปถึงขั้นพระอาหารหันต์แล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือที่พึ่งของเราที่เราจะได้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านจะสอนพวกเราให้รู้จากวิธีสร้างที่พึ่งที่แท้จริงที่จะทำให้เรานี่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการขาด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 เพรากลับบ้านแล้วมันวุ่นวายมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ให้คอยแก้อยู่เรื่อยๆอยู่วัดดีกว่าอยู่วัดทุกคนปฏิบัติทำทุกคนทําใจให้สงบทุกคนปล่อยวางไม่มีใครแก่งแย่งชิงดีไม่มีใครอขอนน่นขอนี่จากเราเพราะทุกคนพึ่งตัวเองได้ทุกคนมีความสุขในตัวของเขาเองได้ เลยไม่มีใครมาสร้างความวุ่นวายให้แก่กันแล้วกันไม่เหมือนอยู่บ้านนี้ไม่มีใครพึ่งตนเองกันชอบพึ่งคนอื่นกันชอบมาขอนูน่นขอนี่ชอบให้ช่วยทานูน่ทนทานี่พอไม่ทำก็โกรธเราโมโหเสียใจเวลาเราพึ่งเราเราพึ่งเราไม่ได้เราไปขอพึ่งคนอื่นเขาไม่ให้เราพึ่งเราก็โกรธเขาเราก็เสียใจ วิถีชีวิตของการใช้ลาบยศสารเสริญ ส, สุขเป็นที่พิ่งมันจะนำไปสู่ความวุ่นวายใจนำไปสู่ความทุกข์เพราะมันไม่ได้นำไปสู่ความอิ่มความพอมันนำไปสู่ความอยากเพิ่มมากขึ้นได้แค่นี้แล้วก็ไม่พอต้องได้มากกว่านี้ถึงจะดีใจแต่พอได้เพิ่มขึ้นไปไม่นานก็ไม่พอใจอีกแล้วอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปได้เลยเยม่เชื่อถามพวกข้าราชการดูเนย ตอนต้นก็เป็นผลทหารต่อไปก็เป็นนายสิบพอได้นายสิบต่อไปก็อยากจะได้นายร้อยพอได้นายร้อยแล้วก็อยากจะได้นายพันได้นายพันก็อยากจะได้นายผลอยากจะขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันพอ <c oughs> นี่คือความสุขทางราบยศสรรเสริญมันจะไม่ได้นําไปสู่ความพอนําไปสู่ความอยาก พอมีความอยากแล้วมันก็ทำให้ต้องดิ้นต่อไปต้องสู้ต่อไปเหนื่อยต่อไปแต่ถ้ามาหาที่พึ่งทางใจด้วยการทำบุญทำทานนักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเจริญปัญญานี่ใจจะอิ่มขึ้นไปเรื่อยๆความสุขจะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงอิ่มเต็มที่ไม่อยากได้อะไรเลยไม่อยากได้ลาบยศรเสรินไม่อยากได้ชีวิตเลย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 ก็คือราบยศเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายและร่างกายนี่ต่อไปมันจะต้องหมดไปถ้าเรามีที่พื้นทางใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกันอันนั้นถ้าเรายังไม่ได้ทำเป็นกิจลักษณะเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นกิจลักษณะเกิดทุกข์อย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือในวันพระก็ควรที่จะเริ่มทำกัน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 เป็นความสุขชั่วคราวเวลาหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาทันที mm hmm. ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรอยะทาวาเรวะหาปุราภิกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยตามณิจโตติระโสยตาสัพพิติโยวิวาจจันตุสัพพะโรควินัสตุมาเตปวัตวันตรายยจุขีทีขายุโกภะ อาพิวาทนัสิลิตะนิจังวุธาปจายนโนจตารธรร ม, มาวทานติอายุวันโสุขงังพะลุ วันนี้ใน Facebook คนเยอะครับอาจารย์ก็ก็ประมาณสี่ร้อยกว่าครับแต่ว่าสัญญาณมีอ่อนๆบ้างครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรคนก็เลยหนีไปทางวิทยุก็นั่งจะสามสิบคนแล้วเข้าอ่าดีมีทางเลือกสามทางมี Facebook, Youtube แล้วก็วิทยุเล็บดัมมะ .com แต่เดี๋ยวถ้าแอปพลิเคชันเสร็จเมื่อไหร่ก็จะโดรครับอาจารย์อ่าตอนนี้ทางผู้พัฒนาแอปก็แจ้งมาแล้วว่าก็ ส่วนที่ทำยากได้เสร็จแล้วครับไปญ า, าติกำลังเก็บรายละเอียดอยู่ครับไปญาติโยมก็กดแอปเข้าไปได้เรื่องได้วันนี้เข้าถึงเท่าไหร่ละเมื่อวานแปดแสนกว่ า, าไม่รู้จริงว่าเช็ตยังไงก็ไ <c oughs> มออ่รู้เระมวานก็หมื่นกว่าได้แปดหมืะนเมืวานก็แปดแสนถ้าขายโฆษณาคนระบาดก็ได้ต้องแปดแสนแล้วนะ กสนห้อนห้าส อ, องแสนห้าแล้วเสองสนห้าแล้วเดี๋ยวขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้ น, นถ้ามาตรงนี้ขึ้นอ่าใครมาที่หลังอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาได้นะตอนนี้ช่วงช่วงที่เปิดให้ถวายข้าวของได้ หรือใครอยากจะถามธรรมะอะไรก็ถามได้ใครใครอยากจะกลับก็กลับได้นะมีไม่ตามอัธยาศัยไม่ไม่เสียมารยาทขาโอกาสเจ้าค่ะวันนี้ลูกได้คคณะเพื่อนๆแล้วก็พี่ที่ทงานที่เป็นอลกเกิลคูลเบอาจารย์ยไทยแาได้เอาน้ํามาถวายมาพระเจ้อ่าดีสาธุขออนุโมทนาาท่านก็เคย ฟังธรรมะจากหลวงพ่อแต่ยังไม่เคยได้ได้มาเห็นเจา้าค่ะก็ะเลยได้พามา้สาธะได้สาธุ เ, เอาเงินเข้าธนาคารบุญนะจ ะ, จะได้มีบุญหล่อเลี้ยงจิตใจทำให้ไม่หิวโหยกับสิ่งต่างๆไม่มีเงินใช้ก็ไม่เดือดร้อนถ้ามีบุญนะฮะแล้วตายไปก็ได้ไปสวรรค์กลับมาก็มี ข้าวของรอเราอยู่ทาบุญไม่สูญไม่หายไปไหน <c oughs> มันซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตนะพอพอรถพังเขาก็เปลี่ยนรถให้เราใหม่ <c oughs> พ, อพอร่างกายตายไปเดี๋ยวกลับมาแล้วก็ได้ร่างกายอันใหม่ที่ดีกว่าเก่าทรัพย์สมบัติเงินทองหายไปเดี๋ยวกลับมาก็ได้ของใหม่ ในบุญเหมือนซื้อประกันซื้อประกันภัยซื้อประกันชีวิตซื้อประกันสมบัติต่างๆอันนี้แหละประกันเท่ประกันภัยที่แท้จริงลูกก็อยู่ในภาวะนั้นตัดสินใจที่จะออกจากงานเพื่อจะมาภาวนาดีนั่นแะก็พยายาจะตัดสินใจหรือพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างท่านรวยกับเราขนาดไหนใหญ่โตขนาดไหนท่านก็ยังทิ้งได้เลย เพราะถ้าเห็นบุญสําคัญกว่าวเห็นธรรมะสําคัญกว่าพระเจ้าบอกให้สละทรัพย์สล ะ, สะอวัยวะสละชีวิตเพื่อรรทำทำนี้สําคัญที่สุดทำนี้เป็นสมบัติที่แท้จริงอรยะรพย์ทรัพย์ภายในที่จะไปกับเราเป็นของเราทรัพย์ภายนอกยศภายนอกนี้ชั่วขณะมีชีวิตอยู่ เดี๋ยวยังไม่ทันตายเขาก็เอาคืนไปแล้วเดี๋ยวหกเศษก็ขอคืนนะถือหนังสือซีดีหยิบได้นะใครต้องการหนังสือซีหนังสือประวัติหลวงปู่ขาวเขียนหนูหลวงตามหาบัวดูชีวิตของพระอริยาเจ้าท่านอยู่กันยังไงท่านใช้เงินใช้ทองเหมือนพวกเราหรือเปล่าท่านหาเงินหาทองเหมือนพวกเราหรือเปล่า หรือท่านหาแต่ทรเน <Yeah. Yeah. S 1> หาแต่ท ร, ร ม, มังสะ ร, ร, ระนังกฉามิกัน <Yeah. S 1> หาความสงบหาสมาธิหาศีลหาปัญญากัน <Yeah. S 1> หาหยิบได้เดี๋ยวมีอีกมีเยอะแยะกองอยู่ข้างเดี๋ยวหมดแล้วก็ ได้นังสืออย่างเห็นบอกจะมาเอาหนังสือไม่ใช่เหรอเออได้แล้วลใช่ไหมเกียวอะไรบางทีเราเข้าไปดูนะไม่ได้เอาได้ไปฝากมาั้ยอืมถ้ามีคนอยากได้ก็ไปแต่ยาวไปแบบ ก็บอกอยากจะได้เนะนี่ยนะก็ดาวน์โหลดได้ถ้าถ้ า, ถาไม่มีหนังสือก็ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์มีที่ดาวน์โหลดประวัติหลวงปู่มัน่น <c oughs> เว็บไซต์กรรมฐ า, าน .com นะครับ <c oughs> มีเว็บไซต์สองอันพรสุชาติ .com แล้วกรรมฐ า, าน .com นะ ม, มีที่จะดาวน์โหลดหนังสือได้ถ้าไม่ได้มาที่นี่ อยากจะอ่านหนังสือต่างๆในนั้นมีสองเว็บไซต์พระสุชาติ .com ก็ได้กรมมัฐาน .com ก็ได้ตอนนี้ก็หยิบได้หนังสือซีดก็ไปได้ต่อไปก็คงจะมีประวัติหลวงปู่ ม, มานหนองไม่มั้งก็มีคนสนใจเดี๋ยวก็มีคนพิมพ์ ม, มาแจาก มีคติได้ดูชีวิตตัวอย่างของผู้ที่ดาเนินสู่ทางธรรมผู้ที่หาธรรมกันอยู่กันแบบง่ายอยู่ในป่าคนเดียวอยู่กับชาวป่าชาวเขาแต่ก็มีความสุขมากกว่าคนที่มีข้าอาหารร้อยล้านพันล้านใจสบาย อยู่ก็ลหาก็ต้องมีรอพออเข้าลิหายก็ต้องมีรอพอพอคอยคุ้มครองรักษาอยู่ในป่าก็มีสมบัติแค่แปดชิ้นมีอัฐบริฐารไม่มีใครอยากจะได้มีบาทหนึ่งใบมีจีวรสามผืนมีที่รัดเอวมีใบมีดโกนมีเข็มกับได้กับที่กองน้ำนี่คือสมบัติของ ของพระ อ, อริยเจ้าท่านมีแค่นี้ท่านไม่ต้องมีอะไรมากเพราะท่านมีสมบัติภายในที่ดีกว่าที่คุ้มครองเป็นรอปภทำให้ท่านไม่มีความกลัวเลยอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้มีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะตอนนี้เปิดโอกาสให้ถามนะ ไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขาเขียนคาถามก็ามาได้ถามกันฟังไปก่อนก็ได้เดี๋ยวอาจจะฟังแล้วอาจจะได้คำถามขึ้นมาทีหลังค่ะคำถามจากผู้ฝาถามคำถามจากยายประทุมมาคำว่าทำสมาธิอาจารย์บางท่านบอกว่าจะนั่งนอนยืนเดินหรือว่าทำงานก็ทำได้ทั้งนั้นจริงหรือเปล่าคะอันนั้นท่านหมายถึงสติ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 ความคิดของเราเนี่ยมันคิดไปได้สองทางคิดไปให้เกิดความทุกข์ก็ได้คิดไปให้เกิดความสุขก็ได้เรื่องเดียวกันเนี่ยคิดคิดแล้วสุขก็ได้คิดแล้วทุกข์ก็ได้เช่นเสียเงินไปเนี่ยสมมุติวันนี้โยมตั้งใจจะมาทําบุญพอดีเงินที่ทําบุญนี่หายไปถูกขโมยไปถ้าคิดไปในทางความอยากอยากจะได้คืนมันก็จะเสียใจทุกข์ใจ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 เสียเงินที่วัดกับเสียเงินระหว่างทางมันต่างกันตรงไหนมันก็เสียเหมือนกันถ้าคิดไปในทางที่ถูกมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าคิดไปในทางที่ไม่ถูกก็จะทุกข์นะถ้าคิดไปในทางความอยากอยากได้คืนเนี้ยมันก็จะทุกข์แต่เวลาทําบุญนี่เราไม่ได้คิดอยากจะได้คืนใช่ไหก็เหมือนเงินถูกขโมยเราไม่เราไม่อยากได้คืนเราก็ไม่ทุกข์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 ห้ามมันไม่ได้อยู่ดีเราไปทุกข์กับมันทําไมเมื่อมันไปเนี่ยเราคิดถ้าเราหยุดความคิดไม่ดีได้แล้วเราสอนให้มันคิดในทางที่ดีต่อไปเราจะไม่ทุกข์กับท่านนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนเขาฝากเงินมาร่วมบุญนะคะออแล้วมันหายไปก็บอกก็าแว่าได้ทําบุญแล้วอ่าเหมือนกันก็เกิดเกิดขึ้นโยบเออโยมก็เลยเอหรือถ้าเราอยากถ้าเราอยากจะ อย่าชดใช้เขาเราก็จะได้บุญอีกเพิ่มขึ้นอีกก็ได้ออถ้าเขาไม่ไม่อนุมโมทนาว่าเงินหานี่เป็นการทําบุญแล้วก็เอาเงินของเขาไปทําบุญให้เขาอีกต่อหนึ่งก็ได้เอเราก็รับผิดชอบเป็นคนที่เอาเงินเข้ามาเราก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็ให้เราก็ร่วมมือมันก็บอกเขาว่ามันก็เหมือนกับทําบุญแล้วเพราะมันก็ไปเหมือนกัน <laughs> <laughs> ใช่ไหมเออ แต่ถ้าเขาไม่เห็นอย่างที่เราเห็นก็อยากต้องเอาไปให้พระให้วัดอะย่างนี้แล้วก็อไปแล้วก็ฝากกระเป๋าของเราเราก็ได้ต่อหนึ่งเอแล้วก็ได้อีกต่อหนึ่ง ไ, ได้สองต่อได้กําไรสองเท่าได้บุญสองเท่าเลยนะความคิดคิดอย่างเนี้ยแล้วมันจะมีความสุขใจของเรามันคิดแต่จะอยากได้อยากจะเก็บไว้อยากจะยึดอยากจะติดกับสิ่งต่างๆแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันต้องจากเราไปหมด ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันไม่จากเราเราก็ต้องจากมันเะฉั้นเราต้องหยุดความคิดไม่ดีว่าต่อไปนี้เราอย่าไปคิดขวงคิดรักคิดอะไรหไม่ดีคิดแล้วเวลาเสียนเสียสิ่งที่เรารักไปเราจะเสียใจให้มากลับมาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีการพัดพลาดจากกันพระเจ้าสอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดา ล่วงพ้นจากการพัดพรากจากกาันไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นของหรือเป็นคนไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกาันให้มาเปลี่ยนความคิดใหม่ตอนต้นก็หยุดความคิดก่อนเวลาหยุดความคิดแล้วใจจะมีความสุขพอสุขแล้วใจก็จะปล่อยได้ตอนนี้เราปล่อยไม่ได้เพราะว่าเราคิดว่าถ้าไม่มีสิ่งต่างๆที่เรายึดติดอย่นี้เราจะทุกข์มากเราเลยไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมให้สิ่งต่างๆที่เรายึดอาศัยเป็น ของให้ความสุขกับเราพอเขาจากเราไปเราจะรู้สึกทุกข์มากแต่ถ้าเราหยุดความคิดนี้ได้ใจเราสงบใจเราจะมีความสุขขึ้นมาแล้วเราจะเห็นว่าเอะเราไม่มีอะไรเราก็อยู่ได้เรามีความสุขได้จากการหยุดความคิดจากการปล่อยวางของต่างๆนั้นเราก็ปล่อยได้เวลาเรานั่งสมาธิหยุดหยุดใจไม่ให้คิดอะไรนี้เราปล่อยวางทุกอย่างชั่วข้าว เวลาอยู่ในสมาธินี่ลืมไปหมดไม่มีลาบยศสรรเสริญไม่มีความสุขไม่มีสมบัติไม่มีใครทั้งนั้นอยู่กับความว่างการอยู่กับความว่างกับมีกับมีความสุขมากกว่า ก, การอยู่กับลาบยศสรรเสริญอยู่กับสิ่งต่างๆพอเราเห็นผลแล้วว่าโอการอยู่กับความว่างนี่ดีกว่าต่อไปเราก็สละได้หมดเลยเข้าใจไหมนั้นการเจริญสตินี่ทําได้ทุกเวลาแต่เวลา นั่งสมาสมาที่นี้ต้องนั่งถ้าไม่นั่งมันจะไม่สงบเต็มที่การเจริญสตินี้มันสงบแต่ไม่สงบเต็มที่มันไม่รวมมันไม่แยกออกจากร่างกายถ้าต้องการให้มันรวมให้มันแยกออกจากร่างกายนี้ต้องนั่งเฉยๆเพราะเวลาเดินหรือยืนทําอะไรนี้ใจยังต้องประครับประคองร่างกายอยู่ใจยังต้องทํางานอยู่เท่าถึงเรียกว่าเป็นการจเจริญสติเช่นพุทธโธพุทธโธไป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 คำว่าบาปก็คือเหตุเป็นเหตุคือการกระทําที่เป็นโทษกับตนเองและกับผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์รักย์ประพฤติผิดประเวณีการโกหกนี้เรียกว่าเป็นการกระทําบาปเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดผลก็คือทุกความทุกข์ใจทําแล้วเราจะไม่สบายใจกันเวลาเราไปรักทรัพย์นี่เราจะไม่สบายใจเวลาที่เราไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราจะไม่สบายใจ เรียกว่าความทุกขนะ์เนี่ยแล้วเวลาตายไปก็ไปอบายอาจจะไปนรกก็ได้อาจจะไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตก็ได้แล้วแต่ความหนักเบาของบาปที่เราทำมันบาปก็เป็นเหมือนกับการทำผิดกฎหมายทำผิดกฎหมายเขาก็มีโทษต่างกันบางทีก็จาคุกห้าปีจาคุกสิบปีจาคุกยี่สิบปีจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตเนะี่ยบาปนี้ก็เหมือนกัน บาเบาหน่อยก็ไปเป็นเลระชานหนักขึ้นมาก็ไปเป็นเปรตหนักกว่านั้นก็ไปเป็นอสุลกายเป็นผีหนักที่สุดก็ไปนรกอันนี้มีความหนักเบาต่างกันคำถามข้อที่สามได้บุญได้อยู่บนสวรรค์กับความสุขเป็นความหมายเดียวกันหรือเปล่าคะบุญก็คือความสุขใจขณะที่มีชีวิตอยู่ในใจก็ มีความสุขใจได้ยังไม่ต้องรอให้ตายถึงจะได้บุญอย่างัานุญาตโยนมาทําบุญนี่ก็มีความสุขใจแล้วอันนี้จะเรียกว่าสวรรค์ชั่วคราวก็ได้เพราะเดี๋ยวเกิดไปทําอะไรขึ้นมาแล้วใจไม่สบายความสุขใจที่ได้จากการทําบุญก็จะหายไปความยิงไม่หายจะถูกจะถูกอารมณ์ไม่ดีมามาม า, มากบเอาไว้บุญที่ทําไว้ก็ยังมีอยู่แต่ไม่สามารถแสดงผลได้ ก็มีการกระทําอย่างอื่นเช่นการกระทําบาปทําให้ใจเราไม่สบายเกิดขึ้นมามันก็สลับกันไปเราก็ขึ้นขึ้นลงๆระหว่างสวรรค์กับกับนรกเนี่ยเวลาที่เราไม่สบายใจก็เหมือนตกนรกเวลาที่เราสบายใจเราก็เหมือนขึ้นสวรรค์แล้วมันจะสะสมไว้ในใจเราพอเวลาตายไปนี่บุญกับบาปมันจะมาแย่งใจของเราไป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 การบวชนี้เป็นการเอื้อต่อการบรรลุเหมือนกับนักกีฬาเนี่ยเขาก็ต้องมีสปอนเซอร์กันใช่หไหมต้องมีบริษัทที่เขาสนับสนุนพวกนี้จะได้ไม่ต้องไปทํางานมีสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆต้องจ้างโค้ชมาต้องอจ่ายค่าอาหารค่าที่อยู่ที่พักจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเพื่อให้นักกีฬานี้ได้ซ้อมอย่างเต็มที่เลย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 ไปทำมาหากินทำอะไรต่างๆก็ถือว่าเป็นนักบวชเหมือนกันอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้ยุ่งกับใครก็เรียกว่าเป็นเป็นนักบวชเหมือนกันคำถามจากคุณทันถ้าเราไปปฏิบททัติธรรมที่วัดเดือนละเจ็ดถึงสิบวันมาเป็นเวลาเกือบสี่ปีเมื่อต้นปีที่ผ่านมาลื่นล้มขาได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่สะดวกที่จะไปอยู่ที่วัด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 คำถามจากคุณชัดพิมลเวลาโยมมีเวลาว่างคิดจะติดตัวมาถือศีลแปดปฏิบัติธรรมที่วัดพอคิดว่าจะไปอีกใจนึงก็จะลังเลห่วงงานอยากหาเงินถ้าไม่ไปบวชเนคขมะก็จะรู้สึกผิดแต่ถ้าจะไปก็เสียรายงานและไรายได้ที่จะขาดไปโยมควรวางใจอย่างไรเจ้าคะก็ต้องชั่งน้ำหนักดูว่าไหนมันดีกว่ากันเหมือนเหมือนรถสองคันเนี่ย ให้เราเลือกเราก็ต้องดูว่าคัานไหนมันดีกว่าเราก็เลือกเอาคัานที่ดีกว่าะถ้าเขาให้เราเลือกระหว่างรถเบนท์กับรถโตโยต้านี้เราจะเอาอะไรใช่ <S <S 1> <S 1> ไหมออันนี้ก็เหมือนกันเนข่ขมะกับงานก็เหมือนกับรถเบนท์กับรถโถตโยตา้าแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นรถเบนท์นั่นๆนสิแต่เรารู้ว่าเนข่ขมะมันเป็นรถเบนท์เราก็ต้องเลือกเนข่ขมะแนละ้วแต่เรายังไปเห็นว่าราบยศสนรเสริญเป็นรถเบนท์อยู่มันก็เลย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 ออการไม่พูดอะไรนี่ไม่ผิดอะไรทั้งนั้นถ้าคิดว่าพูดแล้วเกิดความเสียหายก็อย่าไปพูดต่นนั้นเองการไม่ได้พูดนี่ไม่ไม่บาปนะแต่การไปพูดป่นนี่มันบาปเน้นอย่าอย่าพูดปด่นอย่าพูดดีกว่าเฉยๆไว้ถ้ารู้ว่าพูดแล้วทําให้เสียหายก็อย่าไปพูดคําถามจากคุณเบิร์ตกระผมนั่งสมาธิแต่ใจไม่สงบจะได้บุญไหมครับ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 ให้ขอทานก็ได้ความสุขใจทำบุญกับพระก็ได้ความสุขใจอันนี้ได้เท่ากันหมดไม่ว่าจะทำกับใครแต่มีบุญอีกอันที่เราจะได้จากคนที่เราไปทำบุญด้วยคือเขามีของแลกเปลี่ยนให้กับเราเหมือนกับเราไปเติมน้ามันที่ปั๊มน้ามันนี่ปั๊มน้ามันบางปั๊มเขาก็มีของแถมนอกจากเติมน้ามันแล้วยังมีผ้าขนหนูมีน้าดื่มหรือมีชิงโชคอ่ะ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 เอาเงินไปฝากธนาคารบุญนี่ทําที่ไหนก็ได้เหมือนกันอาจารย์ครับผลจากการทําบุญด้วยปัจจัยหรือสิ่งของจะได้รับกลับคืนมาในชาติหน้าแล้วผลจากความสุขจะได้กลับในชาติหน้าเป็นลักษณะไหนครับอาจารย์อ่าเวลาได้เงินก็มีความสุขเลยอ่าอย่างคนช่วยเหลือคนอื่นคุณกลับมาชาติหน้าก็จะมีคนคอยช่วยเหลือคุณทําอะไรอย่างไรกับใครก็จะได้อย่างนั้นกลับมา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 เราให้ความช่วยเหลือผู้อื่นชาหน้าเรากลับมาเราก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นคำถามจากคุณชวิวันถ้าเราเงินน้อยแล้วไม่ได้ทําบุญด้วยเงินชาตหน้าเราก็จะจนทรัพเหมือนเดิมหรือเปล่าคะถ้าไม่ทำมันก็จนหรือไม่จนก็ได้หรืออยู่ถ้าเรามีความขยนันเราก็สามารถที่จะหาเงินได้การหาเงินนี้มันไม่จําเป็นจะต้องหาจากบุญอย่างเดียว เรื่อนะบุญดีมันง่ายไงมันรอเราอยู่แล้วเหมือนส้มหล่นแต่เงินยงเงินทางอื่นก็ยังหาได้บางคนเกิดมายากจนแต่ก็มีความขยนันมีความขวนขวายก็สามารถร่ำรวยขึ้นมาได้มันไม่ได้อยู่ที่จากการท ำ, ทำบุญอย่างเดียวคาถามจากคุณติ๊น้อยในที่ทำงานมีเพื่อนร่วม ง, งานไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ไม่ใส่ใจงาน เราดูพฤติกรรมมานานหลังๆนอนเวลางานแอบนอนแอบเล่นคอมเราบอกผู้บริหารผู้บริหารพิจารณาปรับย้ายงานคนนั้นเหตุนี้เราบอกคนเราบาปไหมคะเราพูดจริงมันเกินจะคนและไม่ไหวคะ่ะเจออยู่ที่ว่าเราเราทำด้วยเหตุผลนั้นใดถ้าเราทําด้วยกา ร, รอิจฉาหริษยาียมันก็ไม่ดีเห็นเขาสบายเราทํางานคนเดียวอย่างนี้แล้วก็เลยไปจ้งจางเจ้าหน้าที่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 เราอาจจะไปสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาแต่ถ้าเราพร้อมที่ยินดีจะรับเวรรับกรรมก็ทำไปถ้าไม่อยากจะมีเวรมีกรรมก็ทาหูนาตาหูไปนาตาไปไล่ไม่ใช่เรื่องของเราไปคำ ถ, ถามจากคุณมนแผ่เมตตกับแผ่ส่วนกุศลเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะไม่เหมือนหรอกคือคาว่าแผ่เมตตานี่ก็คือการ ให้ความสุขแก่ผู้อื่นต้องมีคนรับอยู่เช่นตอนนี้เราญาติโยมมาแผ่เมตตากันตอนนี้โยมญาติโยมมาเข้าของต่างๆมาให้พระสงฆ์องค์เจ้าใช้อันนี้เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาให้ความสุขกับพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนบุทตรบุญนี้เป็นการให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นญาติโยมมาทําบุญวันนี้ ญาติโยมมีบุญที่จะแบ่งให้กับผู้ที่ล่วงรับไปได้เดี๋ยวญาติโยมก็อุทิศไปได้เลยไม่ต้องรอให้พระอนุโมทนาไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเพราะบุญมันเกิดขึ้นที่ใจคือความสุขใจอิ่มใจนี้ก็ระลึกไปในใจได้เลยว่าขอแบ่งบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเผื่อเขามีความหิวเขาจะได้เอาแบ่งความอิ่มใจของเราให้กับเขาบุญนี้เป็นเหมือนอาหาร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 เอเวลาโหดตุเนีสัตเปสัตตาเอาเวลาโหนตุไม่จองเวรกันใครจะทําร้ายเราทําลายเราอย่างไรเราให้อภัยไม่ถือโทษกดเคืองอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาเช่นขับรถไปเข้ามาชนท้ายเราเนี้ยเอาไม่เป็นไรจะมีประกันไปแล้วอย่าเสียเวลาเลยรถติดต่างคนต่างไปก็แล้วกันอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่มายืนทะเลาะกันปาก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 พระนี้พระพุฒจชาห้ามไม่ให้มีเงินมีทองอยู่แล้วแสางว่าตอนหลังท่านอนุโลมว่าเอาถ้าจําเป็นจะต้องใช้เงินก็ให้ฝากเงินไว้กับลูกศิลป์ลูกหาให้เขาเก็บไว้ให้แล้วเวลาขาดแคลนอะไรก็บอกเขาให้เขาจัดซื้อมาให้แต่ไม่ให้ถือครอบครองเงินด้วยตนเองเคยคุยกับพระที่อยู่แบบชนบทมากๆครับอาจารย์อท่านพูดประมาณว่า ซื้อหวยเนี้ยก็ถูกจะเอามาสร้างศาลาเพิ่ม อ, อะไรเงี้ยถูกไหมครับไม่ถูกหรอเรอพราะว่นานาที่ของพระไม่ได้มาสร้างศาลาน้านทีของพระมาสร้างนิพพานกันพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดเลยวัดนี้ท่านก็ปล่อยให้เป็นศรัทธาของญาติโยมใครมีศรัทธาอยากจะสร้างวัดถวายท่านก็ปล่อยให้ก็สร้างถ้าไม่มีใครสร้างท่านก็อยู่โคนไม้ของท่านท่านก็อยู่ตามถ้าตามเงื้อมผาของท่านไป ท่าไม่ได้เดือดร้อนกับเรื่องการสร้างทาวรวัตถุต่างๆท่านเน้นในการสร้างจิตใจสร้างพระนิพพานขึ้นมาให้หลุดพ้นกันคำถามจากคุณพัชรลักษ์แม่พ่อตายายที่ล่วงลับไปแล้วเราทำบุญปักบาตรถวายสังฆทานออกโรงทานและสวดมนต์นั่งสมาธิและอุทิศให้ท่านท่านจะได้รับไหมคะถ้าท่านรอรับอยู่ก็ได้ แต่บางทีแล้วท่านก็ไม่ได้รอรับท่านอาจจะไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วหรือท่านเป็นเทวดาถ้าเป็นเทวดานี้ก็มีบุญมากกว่าบุญที่เราส่งไปให้ท่านก็ไม่รับรับก็ได้แต่รับก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้รอรับะท่านไม่ต้องรอรับเพราะท่านมีบุญของท่านท่านไปตกนรกก็รับไม่ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานก็ไปหากินเอาเองจะมีพวกที่มารอรับก็พวกเปรตเท่านั้น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 ไปเจอหน้าเขาแล้วก็ยิ้มให้เขาซื้อขนมให้เขากินเวลาแพนอยู่คนเดียวเป็นการซ้อมก่อนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนครับเวลาเจอหน้าเขาก็จะได้อยิ้มให้เขาอแต่เมตตาให้เขาขเคา่พ อ, อดีมีเพื่อนที่ทัเอ่อคยเป็นมีาสนาักถือศาสนาพุทธแล้วแต่งงานย้ายไปเป็นศาสน า, นสานอิสลามแล้วอลูก ลูกเขาก็นับถือศาสนาอิสลามเช่นกันเขาบอกว่าเวลาเขาเสียชีวิตเวลาวเขากลัวว่าเขาจะไม่มีใครทําบุญไปให้เจ้าค่ะ <laughs> เขาก็เลยเป็นกังวลเจ้าค่ะว่าเขาจะทํายังไงดีอ๋อก็พยายามทําบุญให้มากๆเวลาไปเราจะได้มีบุญติดตัวไปเราไม่ต้องรอให้คนอื่นส่งบุญไปให้เราแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนศาสนาได้ทําบุญกับใครก็ได้เหมือนกันทําบุญในศาสนาเขาก็ได้ การทำบุญก็คือการแบ่งปันเสียสละทรัพสมบัติเข้าของเงินทองของเราเนี่ยทำกับใครได้หมดได้บุญเหมือนกันีนัยไม่ต้องกลัวทำบุญไม่ได้เรื่อยแล้วไม่ต้องรอให้คนส่งไปทำไปบ่อยๆทำให้มันเป็นนิสัยทุกศาสนาเขาก็ <S <S <ๆ S 1> สอนให้ทำบุญอยู่แล้วให้บริจาคเงินทองเข้าของที่เราไม่อยู่ให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนอันนี้ก็ได้บุญแล้ว ท, ที่คนที่ต้องมารอรับบุญเฉพาะว่าไม่เคยทําบุญกันหัวเงินของทองยาวเงินไปเที่ยวไปกินไปเล่นไปดืม่มเลยไม่ยอมมาทําบุญกันพอตายไปโดยไม่มีบุญติดตัวไปก็เลยไปแบบขอทานก็เลยต้องมารอรับส่วนบุญจากผู้อื่นแต่พวกที่ทําบุญกันอยู่เป็นประจําเนี้ยยังอาทิตย์ละครั้งมาวัดก็ทําบุญกันเรือไปที่ไหนเห็นขอทานก็ให้เขาใครมาขอเรื่องอะไรบ่อยจากให้ช่วยหรืออะไรก็ทําไป อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอยู่ถ้าทำบ่อยๆมันจิตใจก็จะมีบุญติดตัวไปไม่ต้องรอให้คนส่งไปให้เร า, าบุญที่เขาส่งไปให้เราก็น้อยมากเป็นเหมือนเงินให้ขอทานเอาเขาไม่สามารถแบ่งให้ไปได้มากไปกว่า น, นั้นบุญอุทิตแต่บุญที่เราทำนี่เราทํามากเท่าไหร่เราเออกไปได้หมดเลย งั้นบอกไม่ต้องกลัวเรื่องคนที่จะทำบุญให้เราหรือไม่เราทำของเราเองได้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ให้ทำเยอะๆไว้อย่าประมาทก็เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่มีใช่หรอมีอีกไหม <c oughs> ได้ถามได้ <c oughs> ไม่มีมีเวลาเยอะแยะไม่มีเลยคดีเมื่อกี้ฟัง แนขึ้นมาได้ว่าคนก่อนสที่เราเขาก็บนว่าเขากลัวว่าเขาตายไปแล้วเขาจะไม่มีคนทาบุญให้ด้วบอกว่าไม่ต้องกลัวเราเราทาเองได้เราจะได้มากก็รอให้คนส่งไปให้เราเองมีอะไรไหมหมอาองูอ่าอะไม่ได้แบบภาวนาแต่ว่าอย่างว่างเนี่ยค่ะก็ไปตัดต้นไม้ดดิ เมื่อเห็นว่ามีสิ่งเชื่ออยู่ก็จะอยู่แล้วรู้สึกว่าหนูกำลัจะท้าเปลถ้าไม่มีเจตนาไม่บาปหรอกถ้าเห็นกรหลิ่งเสีย อ, อย่าไปทําอย่าไปโดนมันอย่าไปทํามันแต่ถ้าเราทําไปโดยที่เราไม่มีความตั้งใจจะไปทําเขานี้แล้วเขาไปอยู่ใน น, นั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องสุญวิสัยไปงั้นเดี๋ยวเราจะทําอะไรไม่ได้เล ย, ยทําได้ทําได้อ มีคนบอกว่าการที่ช่วยเหลือคนไข้โดยการไม่ได้คิดเลยคนไข้เป็นการชอบโกงก็แล้วแต่ว่าเงินที่คนไข้จะต้องเสียนี่เป็นเงินของใครถ้าเป็นเงินของโรงพยาบาลเราไม่เก็บนี่ก็เหมือนกันล้วเอาเงินของโรงพยาบาลไปเราก็จ้าจ่ายเงินให้คนไข้แทนถ้าเราเห็นว่าคนไข้เขาไม่มีปัญญาจะจ่ายเราก็จ่ายแทนเขาการที่เราไม่ เก็บเงินเข้านี้ก็เป็นการเหมือนกับอําเงินของโรงพยาบาลไปเอารายได้ของโรงพยาบาลไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลักทรัพย์ก็ได้ยกเว้นทางโรงพยาบาลเขาอนุญาตว่าถ้าหมอเห็นว่าสมควรไม่เก็บก็ไม่เก็บก็ได้ถ้าอย่างนี้ก็ไม่ไม่ถือว่าเป็นการลักทรัพย์คือได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาล อ, อีกทางนึ่งคือคนไม่เก็บไปที่มีรายได้ น, อน้อยช่วยเหลือเขาก็ชดเชย ที่เบิกได้ก็อาจจะคิดมากขึ้นแต่นี้เงินส่วนนี้ไม่ได้เข้าหนู่ะค่ะหนัไม่อข้ามลนั่นแหละือไม่ได้เข้าเรา <c oughs> มันก็ไปมันก็ไปเข้าคนอื่นอ่ะ ม, มันก็เหมือนกับขโมยให้คนอื่นเขาก็ยังผิดอยู่ดีนอกจากว่าทางโรงพยาบาลเขาอนุญาตให้เราทำได้ก็ไม่ผิดท่านเขาบอกว่าถ้าคนมีประการสังคมก็คิดเยอะหน่อย แล้วก็คนไม่มีก็คิดเขาน้อยหน่อยเล่าเงินของคนประกันสังคมมาให้มาม า, มาชดเชยทางนี้เี่โรงพยาบาลก็ยังได้เงินเท่าเดิมนี่ก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาอะไรอ้าวพอพอโรงพยาบาลไงถามว่าโยาบายเรื่องของการ เ, าเก็บเงินคนไข้นี่มียืดหยุ่นได้ไหมก็ถามก็ได้ หรือไม่ทําไม่ได้ก็เราก็อย่าไปทําถ้าเราสงสารเขาเราก็คว้า ก, กระเป๋าจ่ายแทนไปนเราก็จะได้บุญอ่ะมอไม่ไห ว, ไหวก็ต้องโป่งไปไงต้องเจะระนูเบกคขาไปว่าเป็นเรื่องกรรมของสัตว์ไปเขาถ้าเขาไม่มีจ่ายเขาก็ไม่มีจ่ายอยู่ดีไม่ใช่หรอแล้วใครจะไปเคี่วยวเค้นเอาจากเขาอ่ะก็ปล่อยให้เขาเป็นคนรักทรัพย์ไปเขาไม่จ่าย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 อย่างนี้เรียกว่าได้ไม่พึงเสียไหมครับอาจารย์ก็นั่นแหละบางทีช่วยเขาแล้วแล้วเราก็เออทำทานนี่มันอันนี้สงม น, น้อยกว่าทำบาปทำบาปนี่โทษมันแรงกว่ากับผลที่เราได้รับดงนั้นบางทีพระเจ้าทั้งสอนบอกบางทีเราก็ต้องทำใจทำทาใจให้เป็นอุบเบกขาปล่อยวาง่าเป็นเรื่องของกรรมของสัตว์เราจะช่วยสัตว์ทั้งโลกนี้ไม่ได้หรอก เนี่ yeah. ต่อให้มีเงินมากมายกี่ล้านกี่ร้อยล้า น, านพันล้านก็ช่วยไม่หมดหรอกคนที่ต้องการความช่วยเหลือนี่มันเหลือเยอะแย ะ, แยะขนาดบิลเกนี่มาเจาทีระดับหนึ่งของโลกเขาพยายามไปช่วยในประเทศแอฟริกาเนี่ยเขาก็ช่วยได้ในระดับของเขาเนอะเขาช่วยได้มากแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยได้ทุกคน แต่การการที่จะไปแบบว่าคิดเต็มที่ในส่วนของคนที่เบิกได้เต็มที่แล้วอาจารย์มันก็ไม่เท่ากับว่าเป็นการอ่าโกงปภาษีประชาชนนะครับอาจารย์พก็ต้องเอาเงินประชาชนมาใช้หมายถึงไงหมายว่าที่เบิกได้ที่เบิกประกันเบิกอะไรได้เนี้ยเอามาทดแทนในส่วนที่ที่ที่ช่วยคนไปเงี้ยก็ต้องเอาเงินเงินคนอื่นมาก็เหมือนกับก็ต้องไปโกงก็บางอย่างกันก็ไม่โกงเพราะเราสามารถเก็บเขาแล้วเราเราสามารถ ขายของได้หลายราคาไงทำไมเราเห็นคนเศรษฐีแล้วก็ขายราคาเต็มเต็มที่เห็นคนจนแล้วก็ขายราคาลดลงมาหน่อยเราเป็นคนขายของเราสามารถที่จะเลือกเก็บคนได้อย่างเมืองไทยเนี้ยแม่ฝรั่งมาเที่ยวสถานท่องเที่ยวนะครอบของคนไทยก็อีกราคาหนึ่งคนไทยมีเงินน้อยกว่าคนฝรั่งนี่ <c oughs> เขามีเ ง, เงินเยอะกว่านี่ไง เราก็เลยเรียกเขาได้ทั้งประเทศเขาก็เป really ็นเหมือนกันก็มีเหมือนกันเขาก็มีหลายราคาเหมือนกันคนล็อกเก็คิดถูกหม่อต่างชาติกันได้เขาก็มีการแยกแยะไปตามเรื่องของเขาแหะบางทีก็ไม่ได้เรื่องเงินทองบางทีก็เรื่องสีผิวอย่างนี้สถานที่คนสีผิวนี้เข้าไม่ได้เี้เขาไม่ต้อนรับไปทํำยังไงมันเป็นเรื่องของกิเลสของคน มีไหมครับคําถามจากคุณฟุ๊กเราออกเงินซื้อของนั้นถวายแต่ไม่ได้ไปถวายเองได้บุญใหม่ครับคนถวายไม่ได้ออกเงินได้บุญใหม่ครับได้ได้คนคนคนเจ้าของเงินนี่ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นคนที่ไปช่วยเอาไปของไปให้นี่ได้เปอร์เซ็นต์หนึ่งในถามนะเอาของไปให้อนดี มันมันความจริงมันไม่ใช่หรอกมันเป็นบุญคนละชนิดคนที่เอาเงินไปใหเ้เอาของไปถวายนี่ได้บุญจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นส่วนคนที่ถวายเงินซื้อของนี่เขาได้บุญเต็มร้อยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาไม่มีเวลาไปก็เลยเปิดโอกาสให้คนที่เขามีเวลาว่างแล้วได้ทําบุญในในแบบนี้เกิดการรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นมีบุญสองประเภทมีต่างกัน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 คุณเข้ามาบูชาเพราะความอยากได้มากกว่าอยากทําบุญจริงๆแบบนี้จะได้บุญไหมครับเป็นการซื้อของอ่ะเป็นการเหมือนไปซื้อของที่เซเนเนี่ย <Okay. S 2> ก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เป็นการทําบุญการทําบุญนี่ต้องทําโดยที่ไม่มีผลตอบแทนให้อย่างเดียวไม่ยินดีไม่ต้องการอะไรเป็นผลตอบแทนแต่ถ้าเขาให้มาเป็นสินน้ําใจหรืออย่างนี้ก็รับไว้ได้แต่เราไม่มีเจตนามีความตั้งใจ ที่อยากจะไปเอาเราอยากจะไปให้เน่ยเรามาทําบุญที่นี่เราก็ไม่ได้หลายไปแต่ทางวัดก็มีของแจกของหนังสือแจกไอ้นี่อันนี้ไม่ได้เป็นการซื้อขายกันเป็นการให้ต่อกันละกันแต่ถ้าไปซื้อที่ร้านนี้ถ้าคุณไม่ทําบุญเขาก็ไม่ให้ของคุณหรือว่าวัตถุมงคลถ้าคุณไม่ทําบุญเขาก็ไม่ให้อย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นการซื้อขายแล้ว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 ทางวัดทางพระก็ได้หรือเจ้าเจ้าภาพที่พิมพ์หนังสือก็ได้ทำทานเขาได้บุญมากกว่าวัตถุทานเพราะการให้ธรรมธรรมะชนะาการให้ทั้งปวงเพราะการให้เงินทองนี้ก็ไปช่วยดับความทุกข์ทางร่างกายเท่านั้นแต่การให้ธรรมะนี่ดับความทุกข์ทางใจที่ที่สำคัญกว่าความทุกข์ของทางร่างกายคํถาถามจากคุณพี่พมผมทําสมาธิจนจิตสงบเบา แล้วแผ่เมตตาให้สัตวานังจะได้รับบุญแผ่กนแล้วแผ่กันแล้วแหม <c oughs> บอกแล้วเวลาแผ่เมตตามันต้องไปเจอกัน <c oughs> เวลาอยู่คนเดียวแผ่เมตานี่เป็นการซ้อมเป็นการสอนเตือนใจว่าเราต้องเมตากับคนนั้นคนนี้นะแต่เวลาเจอกันแล้วไปแยกเคี่ยวใส่กันนี่มันไม่ได้แผ่เมตตาถ้าอยากจะแผ่เมตตาเวลาเจอกันแล้วก็เอาเข้าวนุ่มข้าวของมาฝากเนี่เรียกว่าแผ่เมตตา ใ น, นเวลาสวดมนต์ไหว้พระเสร็จสวนบทแผ่เมตตานี้เป็นการซ้อมเป็นการสอนใจเตือนใจว่าเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราจะมีเมตตาได้ก็ต่อเมื่อเวลาเราไปเจอสรรพสัตว์ทั้งหลายตอนนี้เราอยู่คนเดียวเราจะไปแผ่เมตตาให้กับใครเคนี่ยเนี่ยยังไม่ได้แผ่นะผมคือสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิแล้วแผ่นี้ยังไม่ได้แผ่ เป็นการซ้อมซ้อมใจสอนใจจะแผ่ก็เวลาที่ไปเจอกับคนนั้นคนนี้เวลานั้นจะต้องแผ่เวลาเขาด่าแล้วก็สาทุอย่างเงี้ยเนี่ยแผ้คำถามจากคุณสมคิดหากเราไม่ได้ไปใส่บาตรเองแต่โอนเงินให้พี่ช่วยทำให้เหมือนรวมกับของเขาด้วยทำแบบนี้ได้บุญไหมคะได้ได้เหมือนกัน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 ทำไมผมถึงเป็นคนโหดร้ายอยากจะแก้ไขเลอเกินเราก็สอนเขาได้บอกว่าตั้งคิดเอาโหั อ, อกเขามาใส่หัว อ, อกเราบ้างเขาก็อยากจะมีความสุขเขาก็ไม่อยากจะให้ใครด่าเอาน่าเราอย่าไปด่าเขาเวเราจะพูดอะไรก็พูดกันดีๆก็ได้ถ้าเสียอารมณ์ก็อย่าเพิ่งไปพูดอสงบสติอารมณ์ก่อนเสร็จแล้วก็พอไม่มีความโกรธแล้วก็ไปพูดไปบอกกันได้ทําผิดทําถูกอย่างไรนี่พูดกันได้ แตถ้าไปพูดตอนที่มันโกรธแล้วมันกลายเป็นอารมณ์ไปคําถามจากคุณสารินาเมื่อเร็วๆนี้ฝันเห็นพี่สาวที่เสียไปนานสามปีมาร้องไห้หนักมากๆเพราะสามีของพี่เขามีเมียน้อยทําร้ายจิตใจตอมใจจนตายในฝันหนูรีบไปรับพี่สาวมาอยู่บ้านพี่สาวขอบคุณบอกว่าขอบคุณนะที่ให้พี่อยู่ หนูรีบไปซื้ออาหารมาคายไหว้พระค่ะพี่สาวจะได้รับใหม่คะก็ไม่แน่แล้วว่าที่เราฝันนี่เป็นความคิดของเราเองหรือว่าเป็นพี่เขาจริงๆถ้าเป็นพี่จริงๆถ้าเขารอรับเขาก็รับได้แต่ถ้าเราฝันไปเองเราคิดไปเองเขาไม่รู้อิหนูอิเน่ด้วยเขาไม่ได้มารอรับเขาก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นฝันนี่เป็นจริงหรือไม่จริง ควนจริงถ้าเป็นของจริงเราคุยกันได้ถามเขาได้ว่าสารท้าวทุกสุขเด็บพี่เดือดร้อนอะไรพี่ต้องการอะไรหรือเปล่านะตาเขาบอกว่าเขาต้องการบุญช่วยทําบุญให้เขาหน่อยอะไรอย่างนี้เราก็เราก็ไปทําบุญแล้วอุทิศให้กับเขาได้แต่ก็เป็นธรรมเนียมของคนไทยเราของชาวพุทธเราเวลาเราฝันถึงคนตายนี่ก็เอาเผื่อไว้ก็แล้วกันเผื่อว่าเป็นของจริงเขาก็จะได้รับไปออื หมายความว่าถ้าเป็นจริงเนี่ยในฝันเนี่ยเราต้องควบคุมสติคําพูดได้ได้คุยกันได้ไมนคุยกันแต่ว่าเรามันคุยไปตามเรื่องเดยที่ควบคุมไม่ได้ก็ไม่ใช่จริงไม่ใช่จริงเอี่ยงเมื่อตอนนี้เราคุยกันอย่างเงี้ยเราถามสารทุกสืบอะไรกันได้มีคนนี้ก็นั่งสมาธิแล้วเขาสามารถติดต่อกับดวงวิญญาณได้เนี่ยหลวงปู่มั่นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านติดต่อกับดวงวิญญาณได้ท่านคุยกันได้ถามได้ว่าเป็นยังไงมายังไง ตรวแล้วยังคําถามจากคุญดอกลักฟังอยู่ทางบ้านกับฟังที่วัดได้บุญแตกต่างกันไหมคะอ๋อเท่ากันแต่บรรยากาศอาจจะไม่เหมือนกันเพราะบรรยากาศที่บ้านอาจจะมีเสียงหรือก็เครืค่องกลจะทําให้ไม่ได้อัธรตหรืออาจจะได้ไม่เต็มที่มาฟังที่วัดนี่ที่มันสงบกว่าอาจจะฟังแล้วได้ผลได้ประโยชน์มากกว่าแต่ก็ไม่แน่บางที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 ที่ไหนจะดีกว่ากันรักษาโรงพยาบาลก็มีเครื่องมเครื่องมือมีอะไรครบทุกอย่างรักษาที่บ้านก็อาจจะไม่ครบก็ จ, จะได้ผลต่างกันคาถามจากคุณชุติการหนูไปตัก บ, บาทที่วัดป่าบ้านตาดแล้วแผนไปถูกพระด้านหลังของพระ จาทําให้พระเสียขาดไหมคะแล้วตัวหนูบาปไหมคะอ๋อไม่ขาดหรอกหนูก็ไม่บาปถ้า่าไม่มีเจตนาถ้ามีเจตนาก็บาปถ้าอยากจะแตะต้องตัวพระนี่ค <laughs> <c oughs> าถามจากคุณวรพัฒเมื่อเราได้ชานหมากหรือวัตถุมงคลจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วนํามากราบไหว้เห็นทีไรมีความปิติมีความสุข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 คำถามจากคุณภูเราสามารถเบิกบุญมาใช้ได้ด้วยหรือคะก็เวลาถึงเวลามันก็มาเองเวลาที่เราขาดแคลนอะไรบุญเก่าแต่ไม่ใช่ชาตินี้นะอาจจะต้องเป็นชาติหน้าชาตินี้มันมีแต่จะจนลงไม่รวยขึ้นมาแล้วเหรอแต่ก็ไม่แน่ล้วไม่รู้เนี่ยผลบุญมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ได้อาจจะเป็นชาตินี้ก็ได้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 มีใครอยากจะถามอะไรเพิ่มไหมถ้าไม่มีก่จะปิดประชุมนะเอานะเนี่ยก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเราสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเสาธุสาธุสาธุทบุญทางานที่สายกันบินเดียวกันกี่คนเนี่ยที่มานี่ เยเนี่ยนะ้าหกเจ็ดคนนะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์วิกฤตก็คือจะมีการปิดปิดเบสคือปิดติดแบงค์เบสประจำประเทศไทยเนี่ราบแล้วก็จะต้องเอาลูกเรือทุกคนกลับไปให้กรูเวนหมดลูกก็ตัดใจว่าลูกจะไม่ไม่กล้าข้ออกจากดนแดนพุทธพ้นก็เลยว่าจะออกมาทำนะ แต่ก็เลยพามันเพื่อนมาว่าไม่ว่าจะอะไเกิดขึ้นกลให้ได้มีธรรมะแบบไม่ให้ทุกก็ขึ้นอยู่กับธรมรมะจัตสรรก็ค่ะแล้วก็เปลียย่ยนได้ยังก็ตอนนี้ก็เหมือนปฏิหารหนึ่งเปอร์เซ็ตรงนี้ <c oughs> เกิดขึ้นก็แล้วแต่ธรรมะจัตสารก็ค่อแต่ยังน้อยให้เพื่อนออได้มาไม้มาแต่ก็ดีการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราจะได้มีโอกาสได้ทําบุญมากขึ้นเอาบุญดีกว่านะ บุญเป็นของที่เร า, เาไปได้เงินทองก็ได้แค่เฉพาะชาตินี้เท่านั้นเองเอนะอนุทนา